เพื่อจะได้เก็บไว้เป็นข้อสังเกตหนังสือประเภทนี้มีจำหน่ายทั่วไปมีประวัติบุคคลซึ่งแพทย์บันทึกไว้ที่เรียกว่าเคสสตาร์ดี้อยู่มากมายความคิดนึกแบบคิดทำไม่รู้สึกกลัดกลุ่มเพราะมองเห็นอะไรเป็นทุกไปหมดนั้นมีพร้อมกับความคิดเห็นของคนบางคนซึ่งมองเห็นโลกเป็นทุกตลอดเวลาแต่ไม่มีทางแก้นอกจากนั่งด่าโลกอยู่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 ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายละเอียดในวิธีคิดแต่ละประการซึ่งกล่าวข้างต้น